มงคลชีวิตมงคลที่สามสิบสามการเห็นอริยสัจอริยสัจจานะทัศนงังเอตามังคลมุตตมังการเห็นอริยสัจสี่ หรือการเห็นอริยมรรคที่ตรัสรู้อริยสัจส์่ชื่อว่าอาริยสัจจานัศนะอริยสัจมีสี่ประการ 1. ทุกสภาพที่ทนได้ยากได้แก่อุปาทานขันห้าสสมุู t ย สาเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา 3. นิโรธภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปได้แก่นิพพาน 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจสี 4. 1. สมถ ภ, ภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบการฝึกสมาธิ 2. วิปัสสนาภาวนาการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริงก่อนการตรัสรู้อริยรรสัจสี่นี้มีหลักว่าต้องเจริญวิปัสสนาเสมอถึงแม้ว่าบางคนจะเจริญสมถะหรือสมาธิมา ก็ไม่เพียงพอที่จะตรัสรู้จกต้องละทิ้งสมาธิหรือใช้สมาธินั้นเป็นบาทแก่วิปัสนาเท่านั้นจึงจักตรัสรู้ได้ mm hmm. การเห็นอริยสัจจัดเป็นมงคลเพราะ mm hmm. 1. เข้าถึงความจริงของสังขารทั้งหลาย 2. ทำให้เป็นพระอริยเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลก 3. กํกำจัดชาติหรือความเกิดความแก่และความตาย 4. ทํทำให้ตรัสรู้เท่าถึงความดับแห่งกิเลสและความทุกอย่างสิ้นเชิง